สิ่งที่เราเราตลอดอาจารย์แบบมีแรงขับดันยังไงที่เจ้าเข้ามาเเหมือนจริงๆเขาเรียกว่าถ้าภาษาทมหายาเราเรียกปณิธานปณิธานที่มันผักดั น, นตั้งไว้ไวอาจจะหลายชาติแต่ว่ามาชาตินี้เหมือนว่าให้มากันตองเห็นปุ๊บมันจะมันจะสั่งเรามันมีมีด้วยสองแบบถ้าแรงกจำ ม, มันจะทําให้เราคิด ไม่ดีมนุษย์ทั่วไปเขาจะทําทําตามความคิดแต่เนี้ยไอ้นี้นปณิทานก็เหมือนว่าให้เราไปทําด้านธรรมให้ให้เห็นความเป็นจริง ก, ก่อนวัวอาจารย์ไม่ได้มีปัญหาธุรกิจก็เหมือนทั่วไปอาจจะมีมีปัญหาเือคื อ, คอทางโลกนะครับเหมือนว่าเขาผลักดันว่าเรา ท, วทกวิตทกิตทวิตทางอะ่ะคือไอ้ทั้งเรื่องความรัอกอกหักเรื่องอะไรคือประดังจนทุกข์ถึงที่สุดนะ่ะแล้วก็ พอดีโยมที่บ้านมาขอให้บอกให้โยมแม่ให้บวชแต่ก็คิดว่าบวชเอาเรื่องเอาใยเดี๋ยวคงไมคงจะดีขึ้นแล้วพอมาบวชปุกเราเมีภาวะที่เหนือปิติความสุขอะครับคือปกติเขาว่าเรามีมความสุขคือหาเงินเอาเงินไปซื้อความสุขแล้วก็ได้แค่นั้นแต่เนี้ยสมาธิเรามันเห็นปิติเห็นอะไรตรงเนี้ยมันเยอะขึ้นมันซื้อน้ําตาไหลคือ ควาเหนือความโลกเนี้ยเราเลยปลื้มใจมากเลยใช่แล้วสุดท้ายมันเหตุที่เหนือวันนั้นก็เลยเอาไปอวดครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เลยกลายเป็นสนุกทางธรรมสุดท้ายเราก็รู้ก็รู้ว่ามันก็หลงอีกทางหนึ่งไม่หลงโลกก็หลงธรรมดูมันหนีมันมีตัวหลอกนั่นแหละครับต้องต้องวางทั้งสองอันคือไอ้ยังโลกกับธรรมก็คืออย่างมึนปูนอยู่ จฝึกสมาธิอยู่ปีเดียวจริงๆปีปีเดียวครับปีสองปีจะผ่านมาจากการเขาสมาธิขั้นเรื่อยครับจริงๆก็มาเหมือนว่าฝึกมาหลายด้านนะตั้งแต่ความพวกของขังเรื่องเทลินฝังตะกุนทั้งปีแรกปีที่สองก็สร้างพระก็สร้างไปสิบเก้ารูโภแบบองค์ใหญ่ๆเหมือนว่าเหมือนอาจจะไอปณิธานเนี่ยให้เราเรียนรู้ทุกอย่างเลยแล้วท้ายก็มาเข้าสมาธิก็ถือว่า ปฏิบัติของของหลายสายนะครับก็ปุ๊บมันก็ให้เราเรียนรู้แล้วมันเหมือนใจมันจะผักดันว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสมาธิที่เหมือนพุทเจ้าทำนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันหมายถึในใจมัน้านอยู่ตลอดว่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ว่าไอ้นี้มากกว่านี้มันมันเป็นตัวต้านอยู่มันเหมือนว่าภายในจันทร์คือข้างในมันบอกเอนวอามันใช่ครับแต่ทุดท้าย ไอ้ที่บอกใช่ไม่ใช่เราก็ต้องทิ้งเพราะมันหลอกเราหมดเลยมันคือปรานไอ้ที่บอกใช่ไม่ใช่นี่ก็ตัวตัวร้ายนะครับชั้นนึงเราไม่เห็นมันใช่เนี่ยไอ้ตัวนี้คือวงการตัวลึกลึกอีกทีหนึง่งครับ <c oughs> ถ้าเห็นแล้วมันก็จะเห็นแล้วก็ขายขายเดินได้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็คือคอยู่เดิมแท้หรือว่าการการจริงๆโดยที่ไม่มีเราไปไปอยู่ตรงกจางวางโดยที่เราไม่ต้องไปวางต้องส่วนนี้นะครับ มีเราไปวางหรไม่จบไม่จบเห็นเรามีเราไปเห็นว่าว่างก็ไม่จบก่อนผู้ที่เห็นยังอยู่แต่ก็ทําให้ว่างก็ทําไม่ได้เพราะว่าว่างมันทําไม่ได้ใช่คนทัวงไปบอกใช่มันว่างไม่ได้มันว่างเองเพราะเมื่อเราหยุดจะทํามันจึงว่างเองถ้าเราอยากจะทาอยู่ก็ไม่ว่างถ้าเรายุดจะทําเมื่อไหร่ว่างมันนั้นเมื่อไหร่หยุดจะทำมันนั้นว่างว่างเองจริงๆอันนี้ มันเหมือนเส้นผมบางใช่เหมือนเราคิดอยู่เราคิดแล้วเราคิดแล้วหาความว่างมันยิ่งไม่ว่างพอเราหยุดทุกอย่างมันเนี่ยว่างอยู่ข้างหน้าหยุดคิดแล้วเขาหยุดไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะหยุดคิดเองมันก็มีตัวเราตั้งใจจะหยุดบังคับสุดท้ายมันต้องของมันเองเช่นนั้นเอง จิตสุดสุดแล้วมันหยุดอาจารย์ก็ค้นหาวิธีด้วยตัวเองก็สุดยอดคอาจารย์มีเก็บเล็กเก็บน้อยที่จะมาถ่าย้าพเกิหละกนที่ทำเข ต, ติดตรงไหนอะไรยังไงจริงๆมันไม่ติดไม่หลุดนะ เราไปสร้างเราไปสร้างเอาความรู้ความเห็นความหมายแล้วจามาแล้วเอาไปติดเดี๋ยวหลุดจริงๆมันไม่ติดไม่หลุดมันไม่เกิดไม่ดับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวไปเห็นเกิดไม่มีเราไปเห็นสิ่งนี้ดับไม่มีเราไปเห็นสิ่งนู้นเห็นนี้เราเราไม่ไปสนใจให้ค่ามันมันก็ไม่เกิดไม่ดับของมันเองอยู่แล้วแล้วก็สงสัยไหมถ้าเราไม่ไปยุ่งเหมือนว่าเห็นปุ๊บสงสัยมันก็อยู่แค่ขณะหนึ่งมันก็หายไปหายไปคำตอบก็ไม่ต้องการ จริงมันไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพีแต่เราที่ไปคนน้ําไม่คุ้นอยู่ทั้งวันแล้วก็หลงตัวเองว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นเราเป็นเราจริงจริงมันไม่มีอะไรเลยจริงมไม่มีเราไปทําทำไม่ทำอะไรก็<ล>รรแค่นั้นแหละครับแค่นั้นก็จบเลยจอ่าโยมนี้ไหวนะไหวเข้าใจไหว ภาพมันก็จะเป็นแค่ภาพมันก็คือถ้าเราไม่ใส่ความหมายใส่ความหมายมันก็คือปุ๊บแคเป็นแค่นั้นแต่ถ้าเราใส่ปุ๊บก็ไปยุ่นตอนไม้สวยดอกนกนู่นนั่นนี่ปุ๊บสมุนถ้ามันไปเองอ่ะจ้ะมันไปเองก็เป็นของมันเองไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราสมุนท่ามันเคยเคยจํามาว่าอย่างนี้มันจะจําเป็นอย่างนี้กินอร่อยเหมือนเดิมทุกอย่างจิตวิญญเหมือนเดิมไม่มีห้ามนะพอห้ามปุ๊บมันก็จะมีตัวหลอก ขึ้นขึ้นหมดทีแล้วหาไม่เจอชุดเลส9 5 2 8 1 4 9 5เจ้าเหมือนเหมือนเราหามก็มีตัวเราโผล่ขึ้นมาคือเหมือนเราจะไม่เอาไม่ตัดสินมีเราเข้าไปไบังคับมันแล้ ว, ลวถ้ามันตัดสินอยู่ก็คแค่แค่นั้นแล้วก็หายไปมันก็อยู่เป็นเป็นแค่นั้น มันไม่มีอิพลก็ต่อเม่ราไม่สนใจอะไรศูนย์เก้าห้างเกนปสี่เก้าห้าะอะไรนะสองแปดหนึ่งสเก้าห้าเกหนึ่เก้าห้าแล้วอะไรสองแปดหนึ่งสี่เก้าหเกป ยเนี่ยยมใช้ความคิดอยู่มันจะมีมวลหนักแล้วมันจะหนัก <c oughs> มันหนักคนพอยั ง, งถ้าทั่วถ้าเบาจะรู้แล้ว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บจากแค่นี้แต่อาจารย์จะไม่่หลงที่จะไม่ให้เช็คใครแล้วแรู้ว่าคิดปุ๊บพอรู้ว่าคิดมีมวลหนักอ้กอทันที <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันมีมวลหนักเขาเรียก ว, ว่าเพชรมรคขึ้น คือความคิดมันก็มีน้ำหนักหนึ่งน้ำหนักในตัวนอกจากความไม่คิดมันก็จะหายโปร่งคลายออกไปภาวะอะไรมวลหนักเน่ดีมันจะเบาไปโป่งโป่งไปพอคิดครบมันจะรวมขันมันมันวบเข้ามาเล้วอีก<ำ>ไม่ไ แต่ถ้าเราคิดแล้วเรารู้ทันรู้ทันมันจะมีค่าอะไรยมันก็แค่คิดกับการิดใช่แล้วมันจะไม่เอาเรื่องมันจะไม่คิดต่อของมันเองมันรู้ว่ามันไร้สาระคือไอ้ตัวนี้คือสติเท่านั้นมันมันมีพร้อมมีพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างทั้งสมาธิทั้งสติโพธิปักปัญญาปัญญามีพร้อมมันตัดล้างด้วยตัวมันเองตลอดขณะนั้นใช่ครับมันไม่ใช่เฉพาะเอสติตัวเดียวถ้าสติตัวเดียวจะบังคับเปวิปัสสนูเลยว่ามีตัวจงใจว่าเอ้ยอย่าคิดนะอย่างเงี้ย มนมีเราไปไปทำแต่ถ้ามหาสติก็คือมันรู้พุบมันก็คายของมันเองเรียกว่าวางโดยนี่มีผู้วางตัดโดยนี่มีผู้ตัด ต, ต, ตัวนี้เลยนะตัวนี้ครับ ต, ต, ตั้งใจก็ไม่ได้ ย้อนยันกันไม่ตายคือไทยมันก็ไม่พักแล้วก็ไม่เปลี่ยนกันคือเนี่ยแต่เป็นตลอดเวลาไม่ักล้วไม่เปลีไม่พักเลยไม่เปลี่ยนแต่มันมีตลอดมันเป็นของพูดใช่ครับเปลี่ยนมันเป็นสิ่งนั้นแหละมันมีตลอดแต่ต้องถัมันเรียกว่าทํารือมันอะไรไม่ได้เรียกอะไรไม่ถูกเพราะว่าพอยิ่งใช้สมบุญบางอย่ามันยิ่งยิ่งปรุงแต่งหรือเถอะไปครับมันพูดไม่ได้พูด แตนพบสุท้ายเป็นจิตสู่จิตที่ท่านตักนอให้พบเจอเข้าใจกันด้วยจิตกกระจกหละแล้วก็จะไม่มีคำถามไม่มีคาตอบแล้วได้แต่มองหน้ากันแค่นั้นจบที่ว่าทันทีช็อตนึงครสุดท้ายที่บอกว่าไม่มีคำพูดละทีสิตคนสุดท้ายมีกี่คนใช่ไหมท่านวัยไอ้ท่านอ่าวัยหน่ครับกราบอย่างเดียวครับไม่มีคำพูดแล้วได้แล้วบากเกิดตัวบากเกิดวไป แต่สายท่านมหาคส ป, ป่านี่นะมาสายพย์ประจามองบาทให้นะครับใครับเป็นก็เนี่ยคือท่นตักหมอเนาะครับสายสุดท้ายท่านเบื้องหลังคือท่านองค์ที่สามจอนเบื้องหลังท่านบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทิ้งแบบเฮ้ยหกรุ่นทนะ่านบอว่าห้ามให้ยึด ต, ต่อหมันเพราอไม่งั้ น, น, นเดี๋ยวคนจะไปยึด ต, ต่อพรอาจาย์เคยไปลองฝึกแนวเซนที่ญี่ปุ่นยังเลยครับ เนี่ยข้อเสียคือไปหลายประเทศจะพูดไม่ได้เลยครับแต่ว่าสุดท้ายไปให้ดับอย่างเดียวทำภูมิโอ้โหก็ที่นั่งสะอาดจริงก็พอดีครับแต่แต่เคยไปดูที่เบย์ไปดูที่อื่นเขาจามมันมันศรัทธาเกินไปอ่ะคือทุกทุกอย่างมีแต่แต่ต้องตัดเ่ยแม้แต่บุญบุญก็จะบุญก็ต้องต้องไม่เอาต้องไม่เอาปุ๊บบุญก็สึกสลักจาคะทําแล้วก็ทําเลย สมาธิมันคือไม่ต้องหวังอะไรแล้วถ้าไปหวังต่อมันก็มีตัวซ้อนต่ อ, อนนครับแล้วศรัทธาแต่ละคนถือกับจบที่เศษก็เอาโอกาสไม่ว่าจบคือศรัทธาแล้วก็ศรัทธาไม่มีวันหยุดมันก็เรื่ที่ศรัทธาครับกับตกรุณาย์ตัวให้มันมันละคือกล้วแล้วแต่นิกาย์เลยกลายเป็นว่าต่อออกมาหลายนิกาย์นิจาย์นู้นก็สอนด้านนี้นี้ก็สอนด้านนจริงๆมันไม่ได้วางเลยเหมือนว่าสอนให้คนยึดในสิ่งนั้นนะครับ บอกว่าให้วางแต่ว่าที่ <c oughs> <c oughs> เหมือนเฉดอิสระแต่ว่าต้องทําอย่างนี้นะ <c oughs> นเหมือนแบบแล้วมันไม่อิส <c oughs> เขาบอกสอนการอิสระแต่ต้องให้ทําอย่างนี้เหมือนสร้างจอบให้โดยที่ว่าอาจาราพวกไอ้การกระทําอย่างนี้มันจําเป็นไหมที่จะเข้าสู่เจตจำนงได้มันไม่เป็น <c oughs> มันมีทั้งรักษาแล้วก็สิ่งดีและไม่ดีคือถ้าคนยึดไปสิ่งนั้น มันก็จะเป็นหลงแต่ว่าถ้ามีสิ่งนี้ก็เรียบร้อยดีงาเริ่มจากตัวจิตเดินแทรก่อนใช้ครับ น, น, นะครับมันถ้ามันหลงไปมระยึดต่อให้สิ่งที่ดีวิชาถ้าเรายึดก็จะเป็นสิ่งทีดีกลายเป็นอวิชาทันทีเรามีตัวไปเอาไปเจ้าของแนละ้วบุญเนี่ยปบถ้าบุญเราไม่มีตัวยึดมันก็เป็นการจารัสละที่วิวสุทธิมุตติแต่ถ้าเราไปยึดบุญก็มีพบชาติต่ตอไปที่ว่ามีความ้าของในบุญในชาติต่ตอไป คือเห็นปุ๊บแล้วไม่ไมีสลายคลายทิ้งหมดไม่ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยต้องทำแบบพิจารณาให้เป็น ส, สีว่อ ส, สีเห็นปุ๊บซีไม่ได้ย้ำการย้ำเนี่ยทุกขณะย้ำคือการเห็นตัวเราถ้าคลายออกก็คือการสลายทีเนี้ยเราเรามีแต่ตักน้ำออกเหมือนจหมดสลายห้พวความเห็นผิดน้ำจ็คงเหลือแต่น้ำเบสึก นเข้า ส, ส, ส่วนมากโยนทั้งถ้าคนที่ว่ามีมีภูมิด้านนี้นะกุยไม่เท่าไหร่ง่ายมาเพราะว่าเหมือนยนก้อนหินถามทางเขาจะจะเก็ตง่ายแต่ถ้าคนไหนไม่รู้เรื่องก็จะไม่รู้เลยใช่ปัญญ า, าเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าได้จํานวนที่ว่าประมาณสี่สิบห้าสิบคนที่ว่าถือว่ามันไม่เยอะนะกลุ่มนี้ไม่เยอะครับเราก็ไม่ได้เน้นเพราะว่าภาษาน้อยแล้วก็การที่จะไปหาพระที่ว่าอย่างเงี้คือเราก็ไม่ได้เน้นเพราะว่าเอ่า ไม่ได้เน้นคืออันนี้คือไม่ได้เน้นสอนเน้นว่าให้เห็นเดิมแท้แค่นั้นแหละครับจิตสู่จิตเพราะว่าถ้าสอนปุ๊บมันเหมือนว่ายังียังมีความตั้งใจอันนี้เราใครใครมาเห็นก็ตื่นก็ตื่นไปไม่ได้หวังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่หวังว่าต้องเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เป็นอะไรคือคือไม่ได้ถือว่าสอนเนี่ยถือว่าชี้ให้ดูให้เนี้ยใครเห็นก็เห็นไปใครไม่เห็นปุ๊บมันจะลดลดความเป็นตัวการสอนเนี่ยถ้าเราเป็นคิดว่าเราเป็นอาจารย์มันจะมีอัตรา แล้วการสอนมันจะมีมีสอบทันทีเมื่อไหร่เราเป็นอาจารย์จะมีสอบจะเรียนลูกศิษย์ของเราใช่แล้วเป็นมันจะมีอิสระครับพี่มันก็เรียกไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับถ้าทําไปแบบไม่มีอะไรกับอะไรมันเปอันนี้เขาเรียกว่าเออเป็นวาสนาด้วยครับบางท่านอันนี้ไม่ไม่ผิดไม่ถูกแต่เราเห็นปุ๊บพยายามอย่าไปใส่ความหมายเสร็จแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน พอเขาคิดตื่นเนี่ยวัน2วันเนี่ยไม่ได้นอนเลย ม, มันจะทางานของมันเอง เ, องอ น, เนี่ย<ร>ใช่ชายผิวก็จะแดงแล้วบอกว่าให้เลือกเลือดเที่ยงกุบเลือดเปลี่ยนเลยครับสามารถเปลี่ยนได้นี่ครับเราเข้าไปเช็คมีเอเอโลมาซีราไปเช็คเลือดแล้วก็เม็ดเลือดสวยมากครับหลายอย่างแล้วอาจารย์เ็นเขาบอกว่าเวลานอนเนี่ยิ้ใจก็รู้ทิ้ขาก็รู้ทิ้ันก็รู้ มันทำได้ขนาดอะไรครับมันจะเป็นนาเขตไปเลยครับเป็นประมาณสิบเมตรแล้วก็ใครไปเดินใครในอะไรสิบนิสต์อยในนาเขตรู้เลยเหรอรู้เลยครับครับแต่แต่พอพอมันก็ไม่ได้รู้ตลอดนะมันก็อนิดหนึ่งในรู้รู้ไม่มีรู้ก็ไม่เที้ยงแต่ถ้าถเป็นเป็นหายๆแหละแล้วฝันฝันนั้นฝันดูว่าฝันไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยต้องเพราะคือฝันนี้เกิดจากพวกการตุนแต่งฝันะน่าจะเป็น อันนี้ไม่ได้ใจแต่แต่บางคนแต่เขาบางคนก็าบอกว่าฝันฝันไม่ไม่เกี่ยวแต่ว่าแต่หองของอาจารย์นไม่ฝันก็ไม่รู้ว่าฟ้าเป็นยังงมันหายไปปุ๊บหลับก็คือเหมือนว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาจะสิบหลับเลยอาจารย์หลับสิบสองสามแค่สิบแลยวตื่นแค่หนึ่งสองสามแค่สิบตื่นแค่ตื่นปุ๊บเขางงเลย สั่งได้คือมันเรียกเป็นสภาวะอะไรนตื่นรู้ถ้ายังเป็นสภาวะมันยังยังนี้ยังเรียกได้ยังเรียกได้ไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ว่าช่างมันเลยถ้ายังพยายามสร้างความหมายมันก็มีชื่อขึ้นมาเหนะะมือนมันก็ยังไงก็ไม่ตรง ยิงไปแล้วก็คนไปจำต่อก็สร้างบทธานต่อให้หลบคิดไม่ออกกันต้องแบบนี้ใครเลยใช่เลยๆให้แบบคืนสู่เดิมแท้ไปที่ไม่มีความหมายมีความเห็นสุญิตาก็คือไม่มีอะไรเล่นได้และอาจารย์มาเชียงใหม่นี่ผีทางมาไหอ่า สามสี่ครั้งนะครับุ<า>ิทนใช่ครับ<า>นี่ในช่องดีครับเด้เจอส่งพ่อแะเ้ยเห็นได้ในเฟซครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาครับเพราะหาะที่อยู่มาหลายพี่ครับต้องไปไปไปเรื่อยๆครับ พอดีมีอาจารย์ทบโชคนิมนตนะ์เนคุยคุยกับโยม น, นันบอกว่ารู้จักในกรุงเทพเนี่ยมีในในเชียงใหม่มีวัดที่ไหนพอพักได้ไหมพอดอีอยากจะไปหลายที่หน่อยพอดีนี้มีโยมเขามานิมนต์จะให้ไปพักที่บ้านแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าพอดีบ้านเขาเป็นเป็นคอนโดมนไม่ใม่ค่อยดีใช่ครับพีนี้โยมนันก็เลยแนะนําบอกว่า รู้จักหลวงพ่อโ พ, พธิ์ที่นั้นไหมอ๋อพบอกรู้จักครับเคยดูท่านในเฟซกะเรย อ, อยมนันบอดทีนี้พอบอบ่อถ้ายมมันสนิทไหมถ้าสนิทขอขอท่านเวญผักดูทีนี้โดมนันมันติดต่อมาครับเดี๋ยวเย็นๆน่าจะมีคนมาดูครับ เดี๋ยวถ้าจารนไง่าายนัดเป็นพรุ่งนี้เลยรได้ได้หมดเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวขอขอไปพ<ด>ักก่อนนะครับ<ด>ครับ